วันนี้ก็ไปวันพระตั้งใจจะเล่าเรื่องสมัยพุทธกาลให้ฟังจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบุญก็แล้วกันมีผู้หญิงคนดึงชื่อว่าบุนาเธอเป็นทาสีอยู่บ้านเศรษฐีแถวแถวเมืองรัชชคือใกล้ๆเขาเชี้กูดเธอก็ใช้ชีวิตก็ค่อนข้างลำบากนะเศรษฐีสั่งให้ตำข้าวจนเงื่งไหลไข ย, ย้อยเลยตตั้งแต่กลางวันก็นยังไม่เสร็จ จึงเ้อาตามต่อจดถึงกลคืนนะ่ะต้องใช้จุดตะเกียงและตาข้าวบางทีก็ออกไปรับลมเพื่อคลายเหนื่อยมั่งขณะที่เธอเนี่ยยืนรับลมสายตาก็มองไปที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งมีแสงไฟวุบว่าวุบว่าบริเวณนั้นเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์เธอก็ลำพึงในใจเธอว่าเธอลำพึงว่าเราเองเนี่ยอดนอนเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นพระคุณเจ้าจะเหมือนเราไหมหนอ หรือว่าเจ็บป่วยอาพาธหรือโดนงูกัดเธอเราพิงแบบนั้นแล้วก็ไปตําข้าวต่อจนถึงเช้าเธอก็นําลําข้าวเนี่ยมาคุกกับน้ําแล้วก็นํามาย่างไฟเป็นขนมข้าวจีเป็นลาจีก็แล้วกันไม่ใช่ข้าวจีแล้วก็พกพาไปด้วยเธอก็เดินไปที่ท่าน้ําเพื่อไปตักน้ําคั้นตักน้ําเสร็จขากลับพระพุทธองค์ เสร็จมาบิดาบาศปวดสัตว์เจอเจอเข้าพอดีนางปุญนาพบพระพุทธองค์เนี่ยก็ดีใจนะเพราะทุกครั้งที่พบเนี่ยนางจะไม่มีของ่งไม่มีของถวายหรือมีของถวายก็ไม่พบพระพุทธองค์หาจังหวะ ย, ยากวันนี้เจอกันก็มีทั้งของถวายแต่ก็มันรู้สึกของก็เห็นว่าของเราเนี่ยเป็นของเร็วไม่บานนี้นึกในใจพระพุทธองค์จะรังเกียจของเราไม่หนอ เธอก็วางวางหม้อน้ําลงแล้วก็ก้มกราบแล้วเอ่ยขึ้นว่าพระพุทธองค์มิสงลังเกียจอาหารอันเศร้าหมองของข้าพเจ้าขอพระองค์จงรับเพื่อดุเคราะห์ม่มฉันด้วยเถิดพระพุทธองค์ก็ฉับลืองตามองไปที่ภานนพระภานนก็ส่งบาทให้นางจีถวายขนมลังเข้าจีคันรับแล้ว นางก็อธิษฐานจิตขอให้มีส่วนแห่งการบรรลุธรรมอย่างทันตาเห็นด้วยเถิดพระพุทธองค์ก็ให้พรเอวังหุโหตุจงสมบัตนาแล้วนางก็ก้มกาบพระพุทธองค์ก็เดินจากไปเพื่อเข้าหมู่บ้านนางพุนาก็ยังรลแวงนะว่าพระพุทธองค์เนี่ยอาจจะรับที่ํำจีของเธอเนี่ยแบบถนอมใจ อาจจะไม่รับประทานน่ะอาจจะโยนทิ้งให้หมาหรือกาข้างทางก็ได้ลงังจีเดินตามไปแบบห่างๆ้าเธอหารู้ไหมว่าพระพุทธองค์เนี่ยทราบความคิดของเธอเดินไประยะหนึ่งจึงสั่งให้ผ้านนปูอสัสนะและพระ อ, องค์ก็นั่งฉันลังเข้าจีนางกุณาเห็นเข้าโอ้เธอก็ดีใจเกิดปติมากเลยพระองค์ก็สั่งให้ผ้านนเนี่ยเรียกนางเข้ามา พอนางมาถึงพระพุทธองค์ก็ตัดว่าคุณนาทําไมเธอถึงดูหมิ่นภาษาโวของเรานางคุณาก็งงว่าตัวเองไม่ได้ดูหมิน่นแล้วเมื่อคืนเนี่ยเธอพูดอะไรออกมาขณะที่เห็นสาวกของเรานางคุณาก็เอ่ยขึ้นว่ามอมฉายเห็นว่ามอมชายอดนอนเพราะว่าถูกความทุบบีบคัน้นพระกุนจ้าก็คงจะเหมือนกันถูกความทุบบีบครัน้นหรือป่วยอาพาธหรือโดนงูกัด จึงไม่ได้นอนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระสาวกของเราเนี่ยไม่ได้นอนเพราะมีความเพียรเครื่องตื่นอยู่เสมอจากนั้นก็ตรัสเป็นสโลกธรรมขึ้นมาว่าผู้มีความตื่นตัวอยู่เสมอตลอดเวลาสำเนียกในการศึกษาทุกทิพาราตีมีใจน้อมสู่พรนิพพานอสว่อมอัตทานหมดสิน้น หลังจากพระ อ, องค์ตัดจบเนี่ยนางปุนาก็ได้ดูตาเห็นธรรมมาลุกเป็นโสดาปฏิผลทันทีเลยด้วยอันที่ส่งการฟังธรรมอันนี้เป็นที่ส่งที่เร็วมากแค่ล่ำข้าวกี่ก้อนเดียวเรื่องนี้ น, นางมาชอบดึงนามาเล่าให้ฟังเพราะเห็นว่านางทาสีเนี่ยเวลาทําบุญกลับไม่นึกถึงความร่ํารวยหรือเบื่อที่พวกเราขอกันอย่างพวกคนทั่วไปเนี่ยจะมาทําบุญวันพระวันพระหรือวันหวยออกก็จะนึกถึงขอให้ถูกหวยขอให้ร่ำรวย ขอให้โชคดีขอให้คือขอขอโน่นขอนี่ถ้าคนมีแฟนแล้วขอให้เจอคู่รักอะไรเงี้ยอธิษฐานขอไป น, นางฮสีแทนที่จะขอแบบนั้นนางกับขอ้บรรลุธรรมอย่างทันตาเห็นแล้วนางก็บรรลุจริงๆเพราะว่าถวายกับพระพุทธองค์โดยตรงอันนี้เป็นเรื่องน่าคิดนะสมัยพุทธกาลนี่ก็คนมีปัญญานะเห็นถึงจะยากจนแต่ก็สามารถคิดแบบนี้ได้ การรู้ทรมีอณิสงมีคุณค่ามากกว่าการขอทรัพย์สมบัติในโลกนะสามารถออกจากกองทุกได้ <S <S เรื่องต่อมามีาพามผมมีอกคู่นึงน่าจะยากจนที่สุดตั้งแต่อันมาเคยเจอมานะเพราะสองคนนี้ใช้ผ้าห่มชิ้นเดียวใช้กันสองคนนะเวลาออกไป น, นอกบ้านอีกคนต้องอยู่บ้านก็ต้องเปลือยอเพราะไม่มีผ้าห่มผ้าคุมกายคือยากจนน่ะ แต่สองคนผมเมียนี่ก็มีใจใฝ่ธรรมนะเป็นคนมีศีลก็ใช้ชีวิตแบยากจนไปจนอยู่มาวันหนึ่งที่เมืองก็มีการประกาศว่าจะมีพระพุทธองค์จะมาแสดงธรรมทั้งกลางวันทั้งคืนพามสองคนผมเมียก็ตกลงกันโดยให้เมียไปกลางวันส่วนพามสามีไปกลางคืนเย็นไปนั้นพามก็เดินทางไปฝังธรรม แกก็ไปนั่งอยู่ท้ายๆนะขณะที่พระพุทธองค์เนี่ยแสดงธรรมพามว่าตั้งใจจดจอกับกฐารรมะที่พู้ลงแสดงจนใจเนี่ยเกิดเป็นสมาธิเกิดปิติซาบซ่านเกิดปิติเนี่ยมีความสุขมากเลยขณะนั้นก็มีความคิดอยู่ความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเราเนี่ยจะถวายของเพื่อเป็นบูชาธรรมะเอแต่ก็ไม่มีสมบัติอะไรนอกจากพระหม่มผืนเดียวที่เราห่มอยู่เนี่ยอยากจะถวายนะ แต่แล้วความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาปกถวายไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้โ ห, หม่เป็นสองคนมียด้วยถ้าถวายเราจะห่มอะไรอันนี้เป็นความคิดตั้งแต่ปฐมยามพานก็ตัดใจไม่ถวายเพราะถวายไม่ได้ผ่านไปจนประมาณกลางคืนนะี่ยัชิมายามก็มีความคิดที่จะถวายพระห่มนี้อีกเหมือนเดิมไอ้ความคิดที่ขัดขวางก็โผล่เข้ามาอีกบ้างว่า ความคิดที่ถวายมีแค่ดวงเดียวแต่ว่าจิตที่ขัดขวางมีถึงพันดวงสู้กันไม่ไหวพามก็เลยไม่ถวายผ่านไปจนถึงยามดึกยามดึกมากเลยก็คือประิมประชิมเมืยามพามก็คิดถวายอีกแต่คราวนี้ตัดใจเด็ดขาดเลยยังไงต้องถวายได้พอความคิดเด็ดขาดเนี่ยไอ้ความคิดที่จะขัดขวางก็หายเกี้ยงเลยไม่มาขัดขวางแล้วพามก็ตะโกนแรงดัง ชนะละโวยชนะละโวยถ้าเป็นภาษาบาลีก็ชิตังเมชิตังเมพอเพลินบริเวณนั้นเนี่ยมีพระเจ้าประเสริที่กุศลพระองค์ก็มาร่วมฟังธรรมอยู่ด้วยก็ได้ยินเสียงชิตังเมชิตังเมก็เลยสงสยัยเฮ้ยใครชนะอะไรใครก็เลยสอบถามโอ้จุดได้ความว่าพรามเนี่ยชนะเพราะถวายพระห่มให้พระพุทธเจ้าโดยที่ตัวเองเนี่ยมีแค่ผืนเดียวนะ อันนี้เขาเรียกว่ า, าแถววบทเนื้อบดตัวไงแกก็เกิดความคือชอบใจนะพระเจ้าสิริกุศน์เนี่ยรู้สึกว่าชอบใจแล้วก็เอนดูพามะ่ะก็เลยสั่งให้คนนำพามาให้ผู้หนึ่งสองผืนได้มาสองผืนแกก็ให้ขวายผู้ิเจ้าอีกจากสองก็เป็นสี่สี่ก็เป็นหกห ก, กเป็น8ดแล้วก็เป็นสิบห ตกโลกแก่ถวายหมดเลยเหลือแค่สองผืนแล้วให้ผัวก็มีใช้แนั้นเองตนนั้นถวายเกี้ยงเลยอันนี้สร้างความประทับใจให้แกบพระเจ้าเป็นเสด็จกุศลมากพระองค์ก็เลยมอบผ้าแพให้ผ้าแพอย่างดีเลยพามก็คิดว่าบ้านเราก็ยากจนได้ผ้าแพไปก็ไม่คู่ควรนะจึงนําผ้าแพร ไ, ไปติดกุฏิพระพุทธเจ้าที่เขาขเจ้ากูดคันท ก, กุฏินะครกลายเวลาผ่านไปพระเจ้าเป็นเสด็จกุศลเนี่ยก็เสด็จมามาหาุระองค์อะ่ะแล้วก็เห็นผ้าแพรนี้ของเราเนี่ยจาได้ ก็เลยถามว่าใครนะใครมาถวายถึงทราบความว่าเป็นพรามณ์พระองค์ก็เลยสั่งให้คนเนี่ยนำของไปให้พราหมณ์ผมอย่งคู่นี้ทั้งช้างมา้าบัวคาท า, ท, าทรัพสมบัติอย่างละสี่ก็ตอนนี้พรามณ์จากคนยากจนเข็นใจก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมานทีเลยความดีสงของการถวายผ้าหม่มผืนเดียวของตัวเอง น, นี่มีที่ส่งมากนะเพราะว่าพารามเนี่ยถวายเพราะมันมีสมบัติอยู่ชิ้นเดียวอะ่ะมันทํายากนะเป็นเราเราก็ทําไม่ได้นะส่วนมากคนรวยถวายของทําบุญเนี่ยจะถวายของที่ตัวเองไม่เดือดร้อนไนงะมันมีอยู่แล้วแต่ไอ้พรามโดนถวายบนเนื้อบรรตัวถึงจะของไม่ปาณีแต่มันทําด้วยใจไงอันนี้ส่งมันจึงแรงยิ่งทำยิ่งได้เรื่องของพารามนี่ก็เป็นที่โจทย์ใจกันไปทั่วแหละพระพุทธองค์ก็ พวกก็ตัดแก่พระบิสูสง์สงว่าถ้าพราหมณ์เนี่ยถวายแต่ปฐะมยามนะก็ะได้ทรัพย์สมบัติอย่างละสิบหแต่ถ้าเกิดถวายช่วงปชิมยามเนี่ยจะได้อย่างละแปดแต่พราหมณ์ถวายตอนปชิมยามก็เลยได้อย่างละสี่อันนี้เป็นอนิสง์ของการทําบุญที่ได้ผลเร็วให้พวกเราเวลาทําบุญก็ต้องมีความตั้งใจด้วยนะ เพื่อจะได้นิสงเหมือนนางปุนาแล้วก็พามตกยากอีกเรื่องหนึง่งพระเจ้าปยาสิเมื่อก่อนเป็นพวกนอกรีดคือไม่นับถือศาสนาเลยเลยตอนหลังพระกุมารกสปะไปผู้ที่เปลี่ยนทิฏฐิให้มานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยหันมาทำบุญนะแต่แกทํทำบุญก็ทำแบบขอไปทีนะทำแบบ ไม่ได้มีความเคารพให้ของเลวของไม่ปานิช อ, อันนี้สร้างความอึดอัดขัดใจให้กับอุตมานพซึ่งเป็นคนดูแลลงทานวะเห็นแล้วอึดอัดขัดเคืองอย่างยิ่งเพราะอุตรามนพเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยจะทําแบบปานิษย์กว่าทําของดีกว่าครั้งที่ใส่บาตรอะอธิฐานดังๆอะอยากให้พระเจ้าไปยาสีได้ยินไงว่าขอให้เจอไปยาสีในชาตินี้เท่านั้น อย่าเจอะเจอเลยชาแ น, น่อีกเลยแล้วก็ได้ผลนะคัพีฐานแกกเข้าหูพระเจ้าปยาสิจึงเรียกจัลัมโนมาถามว่าทาไมถึงรังเกียจเราขนาดนี้จันลัมโนบอกว่าไม่ได้รังเกียจแต่ข้าพระองค์เนี่ยไม่อยากคบคนอย่างพระองค์เพราะเวลาให้ทานเนี่ยให้ในความไม่เคารพให้ของเลวให้ของไม่ปานี้ให้ของที่ตัวเองเนี่ยแม้ไม่อยากจะใช้มือแตะด้วยซ้ํา เออพระ อ, องค์ก็คิดดูก็จริงอย่างที่อุจรมามนพพูดตอนหลังก็เลยเปลี่ยนใจสั่งให้อุจรมามนพเนี่ยถวายของที่ดีดให้พระ อ, องค์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเวลาให้คนยากจนนะแล้วก็อาหารก็ให้แบบที่พระ อ, องค์เสวยยังไงก็ให้อย่างนั้นแหละส่วนอุจรมามนพเนี่ยซึ่งเป็นคนดูแลลงทานก็ทําให้ปานดี ก, กว่าหลังจากพระเจ้าไปายศิกับอุจลามนพเนี่ย ตายไปพระเจ้าปารสิก็ไปเกิดบุษขวันนะแต่ไปเกิดสวรรค์ชัดยาตุมส่วนอุทระมนุไปเกิดสวรรค์ชะ ด, ดาวดึงที่สูงกว่าเพราะว่าเวลาทําบุญเนี่ยแกมีจตนาแล้วตั้งใจํา ม, มากกว่าอันนี้คือการทําบุญแบบเคารพและไม่เคารพตั้งใจให้กับไม่ตั้งใจให้ <c oughs> การทําบุญในพุทธศาสนาเนี่ยหลักใหญ่ๆก็มีการให้ทาน การรักษาศีลการภาวนาอันนี้เป็นบุญหลักๆเลยแต่ส่วนบุญย่อยๆลงมาก็มีบุญกิาวัตถุสิบการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาการพิษอ่อนน้อนถ่อมตนการช่วยเหลือขนขวายการแบ่งปันความดีหรืออุทิศกุศลให้กับผู้ร่วงรับไปแล้วแล้วก็การอนุโอทนาบุญการฟังธรรมการแสดงธรรม แล้วการทำความเห็นให้ถูกต้องหรือความเห็นตรงเรามาวัดเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกข้อเลยแต่การทำบุญถ้าเราทำแบบไม่เป็นมันก็ใบได้ดีสงนะแต่ถ้าทำเป็นน่ะมันจะมีนีสงมากเลยข้อที่หนึ่งการให้ทานเนี่ย ก, ก, ก็มีทำบุญตักบาตรช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเป็นอุทกภยัยไฟไหม้พายุน้าท่วมหรืออื่นๆ อ, อ, อีกมากมาย เด็กยากจนเด็กกำพ้าก็ถือว่าเป็นการอยู่ในหมวดการให้ทานบุญข้อที่สองก็บุญจากการรักษาศีลศีลห้านี่ไม่ธรรมดานะถ้าเรามีศีลห้าทุกคนเนี่ยเราอยู่แบบไม่ต้องมีตํารวจก็ได้ตํารวจคุกตารางสารเสรือกไม่มีหมดเลยถ้ามีศีลห้านะเราก็ไม่ต้องล็อกขุดแจบ้านหรือกุดแจกุฏิด้วยไปไหนมาไหนได้สบายเลยเพราะว่าคนจะไม่บิดเบียกันไงไม่มาขโมยของไม่มาปนจี้ไม่มาโกหก แล้วก็ไม่มาทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเราไงจะอยู่กันอย่างผาสุกเลยขอให้มีสินห้าทั้งโลกนะโลกจะผาสุกทันทีเลยแต่คนเราไม่มีศินห้านี่แหละจึงเบียดเบียนกันโลกอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนไงไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไงทุกวันนี้โลกยิงเดือดร้อนเพราะคนเราไม่มีศีนนั่นเราก็ต้องมีศีลเอาไว้ก่อนแต่ก็าักเชื้อคุณอีกมีสินเนี่ยนะจะได้สังคมั้องจะได้นาอยู่อย่างบุญข้อที่สามคือภาวนาภาวนามีหลายแบบนะ มีสีิวิธีอย่างว่าป่าถุกโตก็ภาวนาก็คือการเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวแนวหลบวัฏเทียนแนวเคลื่อนไหวอันนี้ถ้าทํําทาบ่อยเราก็จะเห็นความคิดเห็นอารมณ์แล้วไม่ปตกเป็นท่าของมันเราก็สามารถออกจากกองทุกได้ถ้าเราไม่เห็นความคิดเราก็เป็นท่าความคิดนั่แหละบุญข้อนี้มีนิสโสมากมาบุญข้อที่สี่ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนข้อนี้ก็คุมไปถึงการเคารพาพระผู้ใหญ่ เคารพผู้สูงอายุกว่าถ้าเป็นโยมนะเคารพคนที่สูงอายุกว่าเจอก็พนมมือยกมือไหว้หรือเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นว่าสมควรไหว้เราก็ไหว้เขาก็ไหว้ตอบทําไปบ่อจิตใจเราก็อ่อนโยนเพราะคนเราถ้าเกิดแข็งก้าวไม่ประพฤตอ่อนล้อมตัเนี่ยเอาตัวไม่รอดหรอกต่อมีความรู้ขนาดไหนก็ชีวิตก็ตกต่ําตกอับคนก็ไม่รักแต่คนเพือ่อนเนาอมตนเนี่ยไปไหนใครก็รักเข้าผู้ใหญ่ง่ายใครก็เอ็นดูเมตตาอะไรเงี้ยเนี่ยเอาตัวรอด แล้วตัวเองก็มีความสุขด้วยสามารถยกมือไหว้ตัวเองได้เราไหว้คนอื่นก็ถ้าเกิดเราไหว้ตัวเองนะเราไหว้ตัวเองไม่ได้ไหว้ผู้อู่ไม่ได้ตัวเองเราก็ไหว้ตัวเองไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มาบุญข้อที่ห้าช่วยเหลือขนขวายช่วยเหลือขนไายนี่ก็พวกเราก็ทํำมาอยู่นะบางทีก็ช่วยงานวัดฝาดใบไม้เก็บขยะล้างจานล้างกะละมัง เจออะไรที่ไม่ดีเราก็ช่วยทําเห็นถนนลื่นเราก็ช่วยขัดช่วยถูแม่คนลื่นหกล้มเจอหลุมเจอบอ่อเราก็เอาดินเอาอะไรมาถมถ้าเราทําทําด้วยจิตอาสานะได้บุญมากบุญข้อนี้แต่ถ้าทำด้วยความขัดแย้งอุ้ยเดี๋ยวใบไม้หล่นไม่กแ็แล้วไฟล่ะทําไปก็ด่าไปหรือไก่มาคุยเขี่อันนี้บุญก็จะน้อยลงด่าไก่ไปด้วยหรือด่าคนทิ้งขยะแต่เรามองในแง่บวกอคนทิ้งขยะเนี่ยเยอะดีดีเราได้สร้างบารมี เราเก็บเราก็สร้างบารมีไปไอคนทิ้งก็รับกรรมไปเราก็สร้างบารมีไปอย่บนทําหลายรอบก็ได้ถ้าระวางใจเป็นก็ได้บุญในนี้บุญจากการช่วยเหลือคนขวายช่วยเหลือส่วนรวมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วมาบุญข้อที่5เนี่ยบุญแผ่เมตตาอุทิศกุศลบุญข้อนี้รวมถึงการชักชวนคนทำความดีด้วยนะสมมติเราอยากทําอะไรช่วยงานเราทําคนเดียวไม่ไหวเอาไปดึงเพื่อนมาช่วยทํากัน เรื่อนก็นได้บุญกับเราด้วยเพราะบางทีทําคนเดียวพลังมันน้อยไงสู้พลังหมู่ไม่ได้พลังหมู่ได้บุญเยอะกว่าดีกว่าหวงบุญไว้ทําคนเดียวข้อนี้ทําเป็นได้บุญมากแบบเราไม่หวงบุญแล้วเราก็เต็มใจอุทิศสุขส่วนให้เจ้าการใบเวลเราก็แผ่นะคนไม่ถูกกันเราก็แผ่คนไม่ชอบขี้หน้าเนี่ยก็แพ่ให้ด้วยไม่ใช่ ว, ว่าแผ่ให้แต่คนที่เราชอบใจทับแคบไปแล้ต่อมาบุญข้อที่เจ็ดบุญอนุโมทนาบุญเนี่ยข้อนี้ทําง่าย เห็นใครเท่าดีเราก็สาธุเห็นใครใส่บาตรเราก็สาธุเห็นใครช่วยงานวัดเราก็สาธุใครถวายสักฆทานเราก็สาธุเราสาธุบทกับคนที่ทําความดีทําง่ายเลยไม่ลงทุนใดเลยแค่แค่น้อมจิตน้อมใจเราก็ได้บุญกับเขาด้วยข้อนี้ทําง่ายนะแล้บุญข้อที่แปดพวกโยมกำลังฟังอธมาพุทธมะอยู่บุญจะ ก, กายฟังธรรมถ้าโยมฟังธรรมที่อธมพูดเนี่ยแล้วเกิดฟังเข้าใจมีประโยชน์หายสงสยัยจิตผ่องใส มีความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยพวกโยงก็ได้บุญแต่ถ้าฟังแล้วลังคาให้เมื่อไหรเมื่อไหร่จะเลิกพูดทันทีไร้สาระอะไรเงี้ยฟังแล้วอาจจะไม่ได้บุญก็ได้อาจจะได้บาปแทนก็ได้หรือง่วงนอนสับประงกอะไรเงี้ยถ้าฟังทําแบบใส่ใจใครพูดยังไงก็ช่างไปช่างแต่ว่าขณะที่เราฟังเนี่ยเราดูจิตเราเองว่าเราชอบใจไหมคนที่พูดเนี่ยไม่ชอบใจคนที่พูดหรือชอบใจคนที่พูดเพราะว่าแต่ละคนจะมีทักษะการพูดไม่เหมือนกันบางคนก็พูดคล่องพูดเก่ง บางคนก็พูดไม่เป็นโอ้โหแขจบได้ฟังแล้วเหนื่อยแล้วเนื่อยรู้แล้วรุ่นอีก่เพราะนั้นอันนี้อยู่ที่คนข้างนอกแล้วแต่เราดูข้างในจิตเราจิตเราเป็นยังไงฟังธรรมเป็นเราได้อย่างเดียวนะไม่มีเสียแล้วก็มาแสดงธรรมแสดงธรรมไม่ได้หมายความว่ า, าต้องพระแสดงโยมก็แสดงได้แต่พระแสดงพระเนี่ยอย่ามองข้ามเรื่องแสดงธรรมนะเพราะเราต้องไปควนขวหาความรู้เพราะว่าอญาามาพู้ธรรมะโยมฟังเนี่ย อาตมาก็ต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้พูดไม่ได้นี่เรื่องใหญ่เลยแต่ความรู้ไม่เกิดขึ้นลอยๆนะจะต้องไปหาไปค้นฟ้าศึกษาทุกอย่างของฟรีไม่ไไม่มีในโลกดังการที่เราอาตมาพูดธรรมะโยมฟังอาตมาสอนตัวเราเองด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมหาความรู้เราก็เอ้ยขี้เกียจพูดธรรมะอะไรเหนื่อยจังเลยเดี๋ยวถึงเวลาถึงก็ถึงเวลาอีกแล้วต้องไปหาความรู้อีกแล้วเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยจะทำไปบ่อยมันมีทีส่งมากนะเพราะความรู้ที่เราค้นฟ้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวกัน วันหลังเราเราเก่งแล้วเราไม่ต้อค้นฟ้าละเราผู้นิยมฟังได้ทุกเรื่องมันมีส่งนะความรู้ที่จะศึกษาเนี่ยมันจะลำบากวันนี้แต่สบายในภายภาคหน้าแต่คนขี้เกียจไอ้สบายวันนี้แต่วันหน้าลําบากเพราะว่าความรู้ไม่เข้าตัวเลยกัน้นถ้าเป็นหนังจีนก็ไม่มีกําลังภายในเพราะว่าตัวเองไม่ยอมฝึกฉะนั้นการแสงทําจึงมีประโยชน์สําหรับผู้ผู้แสดงและผู้ฟังและโยมก็สามารถแสงทําได้เหมือนกันนะไปพูดแบบใครอกหัก คนบทกำลังใจไปพูดปลอบใจเขาหน่อยบางทีทําเงินหายทํามือถือหายคนรักทิ้งตกงานอะไรเงี้ยไปพูดให้เขามีกำลังใจสู้ชีวิตหรือก็ชักชวนเขาหาธรมาธรมะหาครูบาอาจารย์หาสื่อธรรมะให้อ่านทําให้เขามีมีกำลังใจมีทางสว่างขึ้นมีขนทางเดินอันนี้ก็ได้บุญได้กุศลแล้วมาบุญข้อสุดท้ายก็บุญทําความเหตุถูกต้องข้อที่สําคัญ เพราะคนเราเนี่ยบางทีมิจฉาทิฏฐิก็จะไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีเผื่อเชื่อตายแล้วศูนย์ด้วยเอาปัจจุบันไว้ก่อนแต่เราเชื่อว่าบุญมีบาปมีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมรรคผลที่ผ่านมีการทำบุญจิ่งมีอิส่งมากมันเหมือนรถไฟไงรถไฟเดี๋ยพอหัวขบวนมีสัมมาทิฐิมันก็ลากทั้งขบวนให้ถูกต้องไปด้วยแต่ถ้าเป็นมิจฉาิฏฐิเนี่ยการเดินเรืนชีวิตมันก็ผิดทั้งสายเลยมันเป็นมิจฉาหมดเลยดังั้นบุญเที่มมีส่งได้ก็เรามีปปััญญาานตวํ ปัญญาในมักเนี่ยมักมักเนี่ยปัญญาจะนําหน้าเลยการทําบุญที่มีส่งมากแล้วเร็วเราก็ต้องอาศัยปัญญาด้วยแล้วมันก็มีเหตุด้วยนะเหตุประกอบหนึ่งของที่เราให้เนี่ยจะต้องเป็นของบริสุทธิ์ของบริสุทธิ์ถึงจะเป็นของเร็วไม่ปานนิดแต่เป็นของเราทําเองแล้วก็เป็นของที่แบบเราไม่ได้คดโกงใครมามาจากหย่นเหงื่อของเราอันเนี้ยคือของบริสุทธิ์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ชีวิตหรือเปี่ยนแียงสัตว์มานะ แล้วมาข้อที่สองก็คือของที่เราจะให้เนี่ยเราต้องมีเจตนาที่แรงกล้าเลยเจตนาเจตนาในการอธิษฐานถ้าไร้เจตนามันก็เฉยเฉยไม่มีอะไรแต่ถ้าทําบุญให้ได้่สูงมากเราองลดละ ก, กวามเห็นแก่ตัวนะเพราะว่ากิเลสอาตาเนี่ยมันยึดครองละจิตใจเราอยู่ถ้าเราทําบุญให้ถูกเราต้องทําบุญเพื่อลดละ ก, กวามเห็นกับตัวละตัวตนให้หมดไปอันนี้คือการทําบุญที่ถูกต้องเจตนาที่ถูกต้อง แล้วมาข้อที่สามเนี่ยข้อที่ก็สําคัญผู้ที่รับเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลมากอย่างถวายพระพุทธเจ้าถวายพาะาาระอรหันต์อันเนี้จะมีที่สง่งที่เร็วแต่ถ้าผู้ผู้รับจะศีลไม่บริสุทธิ์มันก็ได้แต่ไปได้ช้าหน่อยแต่องค์ประกอบเนี่ยก็เป็นสําคัญทําให้บุญด้านที่ส่งเร็วอย่างนางกุณณาแล้วก็พามพามพระโภคอันเนี้ยพอดีสง่์ของการ ถวายพระพุทธเจ้าแล้วถวายของที่ยากไงเพราะตัวเองก็มีอยู่ชิ้นเดียวอ่ะอย่างนางุณนาเนี่ยก็เก็บข้าวจี่ไว้กี่คนเดียวนะก็ตัวเองยอมแล้วไม่ไม่กินไว้กินไม่กินละให้หมดตัวอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้ยากอันมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรเวลาปฏิบัติพระใหญ่ก็ขอญาตโยมเนี่ยมีความสุขมีความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง